มาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมนี้เป็นรถที่เหนือกว่ารถทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรถของลาบยศสรรเสริญรถของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะซู้ลดของธรรมไม่ได้ลดขงธรรมคืออะไรลดขงธรรมก็คือความสงบของใจใจที่ตั้งอยู่ในความสงบล ง, งับจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆจะเป็นความสุขจะเป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่ง ยิ่งกว่าการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมียศมีตำแหน่งมีสรรเสริญมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผัวท่พข้อความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมได้เป็นธรรมดา เวลากิดความเสื่อมขึ้นมาความทุกข์ก็จะตามมาแต่ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบระ ง, งับจากกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาเป็นความสุขที่สามารถควบคุมบังคับได้เวลาใดที่ต้องการความสุขจากความสงบก็สามารถใช้สติใช้ปัญญา เป็นเครื่องมือในการนะรับดับความหิวดับความอยากต่างๆดับความอยากต่างๆดับความคิดต่างๆพอใจหยุดคิดหยุดอยากใจก็จะสงบดัะนั้นการหาความสุขที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่การหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลพพะมาเสกกัน พอหามาได้มากมันได้น้อยมันก็ต้องหมดไปหมดไปความทุกข์ก็จะตามมาพอให้มีมากมีน้อยไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสิ้นสุดลงเพราะเครื่องมือคือร่างกายที่ใช้ในการหาความสุขต่างๆก็จะต้องมีความเสื่อมมีความแก่มีความเจ็บไข้ได้ป่วย มีความตายไปในที่สุดพอร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่หาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจได้ใจก็ต้องอยู่แบบหิวโหวยอยู่แบบทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าใจมาหาความสุขจากความสงบได้ ฝึกฝนอบรมจิตใจให้ละความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจจะมีความสุขไปตลอดเพราะเป็นความสุขที่ไม่ต้องมีอะไรเพียงแต่มีสติมีปัญญาที่เป็นของที่มีอยู่ในใจที่จะไปกับใจที่จะคอยดูแลรักษาใจ ให้สงบให้รังให้สงบด้วยการลังับความโลภความอยากต่างๆใจ ก, ก็จะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเมื่อใจมีความสุขใจก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากโลกธรรมจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผัธสะชนิดต่างๆใจก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ ไม่ต้องไปมีร่างกายไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายฉะนั้นกับที่ตอนนี้พวกเรายังต้องอาศัยร่างกายกันอยู่เพราะเรายังอยากหาความสุขจากบาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพัะชนิดต่างๆนั่นเองเราจึงต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วเราก็ต้อง ใช้ร่างกายนี้ไปหาราบหา ย, ยดหาสสลรเสริญหารูปเสียงกิจลดมาเสดการหาก็ไม่ใช่เป็นของที่จะทำได้ง่ายๆต้องมีการดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้มาบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ เวลาไม่ได้ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเวลาด้านก็ดีอกดีใจไปจนกว่าจะเกิดการสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการทัดพระจากสิ่งที่ได้มาเพราะฉะนั้นถ้ายัางมาเกิดม า, มาหาความสุขจากสิ่งต่ตาง ี่มี่ในเรื่องนี้อยู่ใจก็จะต้องเจอกับความทุกข์หลายรูปแบบด้วยกันทุกจากการที่จะต้องเลี้ยงดูร่างกายทุกจากการที่จะต้องทุกขจกับความแก่ของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายและความตายของร่างกายและทุกข์กับการไปหาความสุขต่างๆมา หาได้มากหาได้น้อยเดี๋ยวก็ต้องทุกเวลาที่เกิดจากการพัดพลาดจากกันอันนี้เป็นหนทางที่ที่ผิดที่ถูกความหลงโมหะอวิชชาหลอกให้สัตว์โลกไปหากันไปหาความสุขนอกตัวเองนอกใจของตนเอง ซึ่งถ้าเป็นความสุขนอกใจของตนเองล้วนเป็นความสุขที่ไม่เที่ยมล้วนเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปเพราะมันอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาความสุขที่เป็นอนิจจังมันก็คือมันจะเกิดได้แล้วก็ต้องดับได้มีเกิดก็มีดับมันเป็นอนัตตาเพราะไม่มีใครไป ควบคุมบังครับไปสั่งให้มันเกิดอย่างเดียวไม่ให้มันดับไปได้ไม่มีใครสั่งให้มีให้มีความสุขอยู่กับตนเองไปตลอดความสุขมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปพวามันไปก็จะทําให้เกิดความเศร้าสศกเสียใจเกิดความทุกข์ใจตามมานี่คือเรื่องของ ใจที่ถูกโมหะความหลงอวิชชาความโง่เขาเบาปัญญาไม่รู้ว่าความสุขจริงอยู่ที่ไหนถูกโมหะความหลงไปคิดว่าความสุขอยู่ที่โลกของการเวียนว่ายตายเกิดโลกของสังสารวัฏด้วยในการมาพบ รูปภพและอรูปภพภพทั้งสามเป็นที่ตั้งของความสุขที่อยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขงังอนัตตากา ร, รมาภพก็เป็นที่ตั้งของกามทั้งหลายรูปเสียงหินโลดโผตะพที่อยู่ภายใต้กฎของตายลับรูปภพก็เป็นที่ตั้งของความสุขอยากรูปประชาน อารูปภพก็เป็นที่ตั้งของความสุดของอารู ป, ปรชานภพทั้งสามนี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตามีเกิดแล้วก็มีดับมีเจริญแล้วก็มีเสือ่อมไม่มีใครไปสั่งไปควบคุมบังคับให้มันเกิดแล้วไม่ให้มันดับไม่ได้เมื่อมันเวลามันดับมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้น ในใจของผู้ที่ไปยึดไปติดกับความสุขจากกล้ากล้ามงคลห้าหนือจากรูปฌปานหรือจากอารูปฌปานความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่มีวันเสือ่อมมีวันหมดได้เวลามันเสือ่อมเวลามันหมดมันก็ทาให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ นี่คือเรื่องของโมหะความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นนนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นนิจังสุขขังอนัตตาเห็นว่าสิ่งาต่างๆที่อยู่ในโลกนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้สั่งได้หามาได้แต่ไม่ไม่มองระยะยาว ว่าหามาได้ก็จริงสั่งได้ก็จริงแต่มันก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นช่วงหนึ่งแล้วต่อไปมันก็ควบคุมบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ใช่นร่างกายของพวกเราตอนนี้เราก็พอจะสั่งให้มันทำอะไรให้กับเราได้สั่งให้มันพาเราไปหาความสุขอยากสิ่งต่างๆ่งได้ แต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไปเที่ยวมันก็จะไม่ไปมันไม่อยากไปไปไม่ไหวเวลามันแก่เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยต้องนอนอยู่ในเตียงจะไปเที่ยวที่ไหนได้อย่างไรในเวลาที่มันตายไปพอร่างกายตายไปความสามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งตา่าง ในโลกนี้ก็จะสิ้นสุดลงหมดลงไปนี่คือความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยงกิดว่าน่ากายเป็นของเที่ยงที่เราสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราไปได้ตลอดเวลาเห็นว่าราบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเป็นของเที่ยง ที่จะอยู่กับเราเขาเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่ความจริงมันอยู่กับเราเป็นของเราได้ไม่ได้ไม่นานไม่ถาวรไม่ยั่งยืนเป็นของชั่วคราวได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมีวันหมดไปถ้าเราก็สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ ไม่เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปมีการเจริญมีการเสื่อมไปมีการหมดไปอืก็เลยไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการไปรยึดไปติดกับสิ่งเหล่านี้พอเวลาไปยึดไปติดไปอยากให้สิ่งเหล่านี้เที่ยงอยากให้สิ่งเหล่านี้อยู่คู่กับเราไปเรื่อยๆพอเวลามันไม่อยู่กับเรามันก็จะทําให้เราเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา นี่แหละคือโมหะอาวิชชาอาวิชชาก็คือไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละอยู่ที่ความสงบแต่เป็นความสงบที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมความสุขของใจนี้แบ่งเป็นสองระดับสองส่วนความสงบที่ยังเป็น ของชั่วไปความสงบแบบชั่วคราวอยู่ก็คือความสงบของรูปฌานและอารูปฌานรูปฌานนี้เวลาเข้าเข้าไปในฌานใจก็จะสงบเย็นสบายแต่พอออกจากรูปฌานมาหรืออารูปฌานมาใจก็จะเกิดความคิดเกิดความอยากได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ขึ้นมา อย่างน้อยก็อยากให้ไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่หายอยากให้ร่างกายตายความอยากก็เลยมาทำให้ความสุขที่ได้จากความสงบจางหายไป <c oughs> รูปฌานถึงแม้ว่าจะเป็นความความสุขเป็นความสุขที่เกิดจากจากความสงบของใจ <c oughs> ก็ยังถือว่าเป็นทุกข์อยู่ ยังเป็นอนิจจังทุกขังก็นาตายอยู่ต้องเป็นความสุขความสงบที่เกิดจากปัญญาปัญญาที่จะสอนให้ใจเห็นให้รู้ว่าความไม่สงบของใจเวลาเอาจากฌานมานี่เกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เป็นไปเป็นไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่ได้ดังใจอยากมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าใช้ปัญญามองความจริงก็จะมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นของไม่เที่ยงร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงร่างกายมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีไปไม่มีใครไปห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ ถ้าใครไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอันนี้คือทุกข์ในอริยสัจสี่ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองแต่ถ้ามีปัญญาเห็นเห็นความจริงของสิ่งที่อยากเช่นร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อยากไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยังไงก็ทาก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีถ้าเห็นความจริงอันนี้แล้วไม่ฝืนไม่อยากไม่เกิดความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เวลาร่างกายแก่ก็จะไม่ทุกข์เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็จะไม่ทุกข์เวลาร่างกาย ตายไปใจก็จะไม่ทุกอันนี้แหละคือปัญญาที่จะมาแก้อาวิชาที่ไปหลงหาความสุขอยู่จากการทำตามความอยากต่างๆอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะที่ว่าเวลาได้เวลาเกิดความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะแล้วเวลาได้เสบก็จะเกิดความสุขขึ้นมา แต่มันเป็นความสุขแบบเชื่อเป็นความสุขเชื่อระยะหนึ่งหลังจากนั้นความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะจางหายไปเหมือนควันไฟพอมันหมดจากใจไปใจก็รู้สึกเศร้าสร้อยง่อยเหงาว้าวเวเพราะไม่มีความสุขหลอเลี้ยงจิตใจนั่นเองก็เลยต้องไปหาใหม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพธธะใหม่ ก็จะต้องหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆหาได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเหมือนคนที่ติดยาเสพติดหรือติดเซ็หรือติดกับกกรูปเสียงกลิ่นลดอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นคนที่ติดบุหรี่เวลาอยากจะสูบบุหรี่ถ้าไม่ได้สูบก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอได้สูบบุหรี่ความทุกข์ใจนั้นก็จะระงับ ความสบายใจก็จะเกิดขึ้นชัว่วคราวแล้วหลังจากนั้นไม่นานความสุขที่ได้จากการสูบเะเร็งมวล น, นั้นก็หมดไปก็ทําให้ใจรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่มีความสุขก็เลยอยากจะสูบอกีกก็ต้องมันไปสูบมวลใหม่อกีก ต, ต้องคอยสูบอยู่เรื่อยๆคอยหล่อเลี้ยงใจด้วย ด้วยบุหรีเวลาใดที่ไม่ได้สู่บุรีเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเช่นเดียวกับสิ่งอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นสุรายาเมาก็เหมือนกันพอไปติดแล้วมันก็ต้องคอยดื่มอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้ดื่มมันก็จะเกิดความหงุดหงิดนำคาญใจหรือยาเสพติดชนิดต่างๆกัญชายาฝิ่นหรือ ยาบ้าบุยาอะไรต่างๆที่เขาเสกกันในสมัยนี้มันก็เป็นของที่ให้ความสุขชั่วคราวพอมันหมดก็ต้องเสกมันอยู่เรื่อย เ, เสกอะไรก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีวันที่จะทำให้อิ่มให้พอเพราะมันจะให้ความความสุขชั่วคราวตอนนั้นเองพอมันจางความสุขที่ได้จางหายไปก็ต้องก็ต้องเสกใหม่ ยิงเศษของที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายก็เลยมาสร้างโรคภัยไข้เจ็บให้กับร่างกายทำให้ร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเช่นคนที่ชอบเสษของหวานๆเนี่ยของหวานๆของมันๆเนี่เยเศษไปมากๆ ก, ก็จะทำให้ร่างกายเกิดโลกอ้วนขึ้นมามเกิดน้าหนักเกินขึ้นมาแล้วก็จะเกิดโรคต่างๆตามมา โลกเบาหวานโลกไขมันอุดตันโลกความดันอันนี้มันเป็นความหลงที่ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภยัยต่อจิตใจต่อร่างกายด้วยแต่ข้อสำคัญก็คือเป็นพิษเป็นภยัยต่อต่อจิตใจมันไม่ได้ทำให้จิตใจมีความสุขอย่างแท้จริงมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราว ที่จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปนั่นเองการที่จะพ้นจากอำนาจของอวิชชาได้ความความไม่รู้ความจริงอันนี้ได้ก็ต้องมีนักปราชอย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ที่มีความรู้ความฉลาดที่สามารถที่จะเห็นความจริง ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนและความความสุขที่ไม่แท้จริงอยู่ตรงไหนความสุขปลอมก็อยู่ที่ราบยศสารเสริญสุขคือการเสด็จกรมกรมกามคุณห้านี่ก็เป็นความสุขปลอมรูปฌานก็เป็นความสุขปลอมอรูปฌานก็เป็นความสุขปลอมแต่ในการที่เราจะมาละ การติดความสุขเหล่า น, นี้เราก็ต้องอาศัยการใช้รูปประชานหรืออรูปประชานเป็นเครื่องมือในเบื้องต้นก่อนเช่นถ้าเราอยากจะละความสุขความอยากได้ความสุขจากกรามคุณทั้งห้าเราอยากจะละกรมมาติหาเพราะเราเห็นโทษของการมีกรมมมตัิหาภายในใจว่า มันยัพาให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบอยู่เรื่อยเรอยพราะการจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลสภาพนี้เราก็จะจำเป็นจะต้องมีตาหูจมูกยิ้นกายเป็นเครื่อง อ, อยากจะดูหนังก็ต้องมีตาถ้าตาบอดก็ดูไม่ได้อยากจะฟังเพลงถ้าหูหนวกก็ฟังไม่ได้เราก็ต้องไปหาร่างกายที่ มีตาหูจมูกนิ้งกายเราก็ต้องมาเกิดกันมาเกิดในกรมมาพบกรรมมาพบก็ที่เป็นพบที่สาหรับผู้ที่เสพกรมกันดงนั้นเราต้องการจะออกจากกรารมมาพบไม่อยากจะกลับมากรรมมาพบเราก็ต้องอ า, อาศัยการการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้ใจได้รูปประชานหรือรูปประชาน ก็จะได้ย้ายพบจากกามะพบไปสู่รูปรพบหรืออรูปรพบเบื้องต้นเราต้องอาศัยสมาธิก่อนในการที่เราจะละกามาตัญหาได้ mm. เพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาธินี้เราจะไม่มีกําลังที่จะฝืนความอยาก mm. เวลาอยากจะเดื่มสุราเวลาอยากจะสูบบุรี เวลาอยากจะกินของหวานหวานกินของมันๆเวลาอยากจะไปเที่ยวเวลาอยากจะไปดูหนังฟังเพลงไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผงสะพ้าชนิดต่างๆมันจะเกิดความรู้สึกทรมานใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราไม่สามารถทำใจให้สงบได้เราก็จะไม่สามารถที่จะทนอยู่กับ ความอยากความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความอยากได้แต่ถ้าเรามาฝึกทำใจให้สงบด้วยการจเจริญสติสตินี้จะเป็นตัวที่จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อถ้าเรารู้จักเข้าสมาธิเวลาที่เราเกิดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆเราก็ ดึงใจเข้าไปในสมาธิแทนพอใจอยู่ในสมาธิความรู้สึกทรมานที่เกิดจากความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสก็จะหายไปความอยากที่ที่อยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะถูกระงับไปแล้วถ้ามันถูกระงับไปบ่อยๆกำลังของมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็จะไม่สามารถที่จะทำให้เราเกิดความอยากไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้เพราะทุกครั้งที่เราจะหาความอยากเวลาที่เกิดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไปหาความสุขจากสมาธิแทนไปเข้าสมาธิก็เหมือนคนบางคนที่ เวลาเกิดความอยากที่จะไปหาความสุขจากนู่นเสียงกินรถก็เปลี่ยนมาเป็นการไปออกกำลังกายก็มีไปออกกำลังกายไปวิ่งไปจ็อกอะไรต่างๆเอาเวลามาหาความสุขจากการทาให้สุขร่างกายแข็งแรงออกกาลังกายอันนี้ก็เป็นการดึงใจให้ออกจากความอยากได้ในระดับหนึ่ง แต่มันสู้การดึงใจให้ออกให้ออกจากความอยากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเพื่อให้เข้าเข้าไปในสมาธิไม่ได้ <Yeah. S 1> เพราะถ้าเราสามารถทําใจให้สงบได้ความสุขที่ได้จากควา ม, วามสงบนี้มันจะดีกว่ามันจะเหนือกว่าความสุขที่ไดจากการเบเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลภพชนิดต่าง ดงนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องสร้างความสุขของสมาธิขึ้นมาทดแทนความสุขที่เราได้จากการไปหากามคุณห้าไปหาลูกเสียงกินลดในรูปแบบต่างๆไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูกเสียงกินลดโภชทาน การที่เราจะไปหาลาภยศสรรเสริญเราก็ไปฝึกสมาธิไปนั่งสมาธิกันไปทำใจให้สงบเปลี่ยนวิธีหาความสุขไยหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสไปหาความสุขจากการหาเงินหาทองหายศหาตําแหน่งหารางวีรางวัลหาอะไรต่างๆก็เปลี่ยนมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบด้วยการฝึกนั่งสมาธิอื ถ้าเราฝึกนั่งสมาธิได้ต่อไปเวลาที่เราเกิดความอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกิเลสเราก็มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบอย่างพวกนั่งบวชทั้งหลายที่เขาไปบวชกันก็เพื่อที่เขาจะได้มีเวลาให้กับการฝึกสมาธินั่นเองทำใจให้สงบแล้วในขณะเดียวกันก็รับการไปหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นลดจากราบยศเสริญนักบวชจึงถึงสียงแปดจนขึ้นไปเสียงแปดก็เป็นข้อห้ามห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดเช่นเสียงข้อสามก็คือไม่ให้ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกันเียงข้อหกก็ไม่ให้ห้ามไม่ให้รับประานอาหารตามความอยากรับประทานอาหารได้เพียงครั้งวันละครั้งหรือสองครั้ง รับประทานเพื่อระงับความหิวของร่างกายแต่ไม่ให้รับประทานตามความอยากถ้ารับประทานตามความอยากก็จะรับประทานมานละหลายหลายครั้งด้วยกันอันนี้ก็เป็นการหักห้ามรือป้องกันไม่ให้ใจไปหาความสุขจากการเสบรูปรูปเสียงกลิ่นลดของอาหารของเครื่องดื่มต่ง แล้วก็ห้ามเสพทางตาหูห้ามดูห้ามฟังมอห์รสบันเทิงต่างๆห้ามหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายมันทำให้เสียเวลาและไม่มีเวลามาให้กับการฝึกสมาธิทำใจให้สงบอะไรจำเป็นที่จะต้องมิถือศีนแตกกันสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะ หาความสุขจากการฝึกสมาธิและเบื้องต้นต้องมีศีลแปดเป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องมือก่อนเรียกว่าเอ็นซีสังวรก็ได้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายห้ามไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายไปเสบรูปเสียงกลิภภ่นลดผลทพะให้เอาเวลาที่ไปใช้กับการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะนี้มาให้กับการ ฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าเรามีเวลาให้กับการฝึกสติเวลาเวลาให้กับการนั่งสมาธิไม่ช้าก็เร็วเราก็จะสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาได้พอเรามีความสุขจากสมาธิแล้วเราก็ไม่ต้องไปขึ้นความสุขจากการหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพมาเสก อันนี้เป็นขั้นต้นของการแก้ปัญหาอันนี้เราเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดสิ่งที่เราเิดกันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสถอดทัพทะชนิดต่างๆต้องมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมาให้เราเสพให้เราสัมผัสอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสจะรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวรู้สึกหดุดหงิดเนี่ยจนวันไหนที่เราไม่ได้ออกไปข้างนอก ต้องอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรให้ทํเนี่ยไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้เสพเนี่ยมันจะรู้สึกบดเก็ียดบางทีอยู่ได้ไม่นานก็ทนไม่ไหวก็ต้องออกไปข้างนอกบ้านเพื่อไปหารูปเสียงกลิ่นแล้วาสิ่งอะไรมาเสพแต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิได้เวลาที่เราไม่ได้ออกไปนอกบ้านเราก็สามารถมีความสงุนขณะที่อยู่ในบ้านได้ ดยการนั่งสมาธิทําใจให้สงบดังนั้นสิ่งที่เราต้องพยายามฝึกกันให้มากที่จะทําทให้ใจเราสงบให้ได้ก็คือการฝึกสตินี่สติกับสมาธินี้เป็นคนละตัวนะต้องท้อใจไว้ก่อนสตินี้เป็นเหตุสมาธิเป็นผลสติสมาธิคือความนิ่งของใจนิ่งสงบ เวลาใจนิ่งสงบเราเรียกว่าใจอยู่ในสมาธิการที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบได้จะต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆทีนี้ภาษาทางโลกนี้เรามักจะใช้คาว่าสมาธิแทนสติกันเช่นเวลาเราทาอะไรแล้วเราก็มักจะพูดว่าวันนี้ไม่มีสมาธิในการทำงานเลยไม่มีสมาธิในการดูหนังสือเลย อันนี้ไม่ใช่สมาธิความจริงมันเป็นคําว่ามันหมายมันเป็นคําว่าสติไม่มีสติดูหนังสือไม่มีสติทํางานใจลอยไปลอยมาไม่มีสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับการทํางานให้อยู่กับการดูหนังสือ <c oughs> เราใช้ผิดกันแล้วเราพอมาฟังเทศฟังธรรมเราเราก็เข้าใจผิดเราเข้าใจว่าสมาธิเราก็มีอยู่แล้วเราต้องมาฝึกสมาธิกันทําไม สมาธิบางวันเราก็มีบางวันเราก็ไม่มีแต่นี้ไม่ใช่สมาธิในทางธรรมสมาธิแบบทางโลกมันไม่มีความสุขมันไม่ได้มั น, ม, น ม, มันไม่ได้เกิดความสุขที่วิเศษที่มาสะก จ, จใจที่ที่เกิดจากความสงบของใจถ้าใจสงบนิ่งสงบแล้วมันจะเกิดความสุขที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวง ลถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงก็คือลดของความสงบนี้นัตติสันติปรังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีแต่ใจของผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกสมาธินี้จะไม่มีความสงบเกิดขึ้นถึงแม้จะใช้คําว่าสมาธิในในชีวิตประจำวันว่าวันนี้มีสมาธิกับการทำงานวันนี้มีสมาธิกับการดูหนังสือ อันนั้นความจริงไม่ใช่เป็นสมาธิเรียกว่าเป็นสติมีสติคอควบคุมใจให้อยู่กับการทํางานให้อยู่กับการดูหนังสือไม่ให้ใจลอยไปลอยมาไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นตอนนี้อันนี้ตัาหาคือคําว่าสติหมายคําว่าสติไม่ใช่สมาธิถ้าสมาธิจริงๆนี้มันจะต้องนั่ง น, นั่งนิ่งๆแล้วก็สงบแบบไม่รับรู้เรื่องอะไรเลยในโลกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดเนลือแต่ความว่างเหลือแต่สักกะว่ารู้เนลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ความสงบและความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้เนะนี่ยถึงจะเรียกว่าสมาธิดังนั้นนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของสมาธิเพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากาลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกิิ่นรสความสุขที่ได้จากเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันสู้ความสุขที่เกิดจากความสง บ, บไม่ได้น้ำหนักของมันความรู้สึกของมันนี่มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินแล้วก็ความยั่งยืนยาวนานมันก็ยั่งยืนยาวนานกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะรักษาได้ถึงแม้มันจะเสื่อมก็สามารถที่จะเรียกมันกลับคืนมาได้ง่าย เช่นถ้าเราออกจากสมาธิความสงบก็หายไปแล้วเวลาที่เราต้องการกลับเข้าสมาธิมแล้วก็สามารถกลับเข้าไปได้ใหม่มันไม่เหมือนกับเงินทองเวลาได้มาแล้วเวลามันหมดไปนี้จะไปหามันกลับมาใหม่เหมือนตอนที่มีมันไม่ใช่ง้ยของง่ายมันไม่ได้จะกลับมาแบบทันทีทันใดไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบ เวลาออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากความสงบก็จะจางหายไปแต่พอเราต้องการมันคืนมาเมื่อไหร่เราเพียงแต่นั่งสมาธิใหม่มันก็จะกลับเข้ามาหาเราใหม่ทันทีแต่เงินความสุขที่ได้จากเงินทองร้อยล้านพันล้านเนี่ยพอมันหมดไปนี่ยาเรียกมันกลับคืนมาทันทีทันใดมันไม่กลับมาได้ไง่ายๆแล้วกยมีร้อยล้านพันล้านพอสูญเสียไปหมดนี่อยากจะได้กลับคืนมาใหม่เนี่ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ ชาต น, นี้จะได้กลับคึ้นมาหรือไม่ก็ไม่รู้อ น, นี้คือความต่างของความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกับความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบเป็นสมาธิดังนั้นถ้าเราอยากที่จะเจอกับความสุขที่แท้จริงเจอกับความสุขที่ท้าวรเราต้องเปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระ การหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญนี่เปลี่ยนมาหาความสุขจากการทาใจให้สงบไปฝึกสมาธิกันการฝึกสมาธินี่ก็ต้องมีเครื่องมือหลายอย่างเครื่องมือชนิดแรกก็คือต้องถึงศีลแปดขึ้นไปต้องร ง, งับกิจกรรมทางกามอารมณ์ไม่หาความสุขทางตาหูจมูกมือกายแล้วก็ต้องไปหาที่สงบ ที่สงบสงัดวิเวกกายวิเวกจิตถึงจะวิเวกสถานที่ต้องสงบมันถึงจะทำให้การทบใจให้สงบเกิดขึ้นได้ถ้าไปหาความสงบในสถานที่ที่มีความพุกพลานมีเสียงอึกกระทึกทุกโคมเช่นไปนั่งสมาธิในบ้านในผับนี่นั่งไปยามันตายก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ต้องไปนั่งที่มันเงียบเช่นไปนั่งตามวัดต่าง ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆที่เขาจัดให้เป็นสถานที่ที่สงบสงัดเรียกว่ากายวิเวกวิเวกทางกายภาพเพราะมันจะเป็นเครื่องที่จะเสริมให้เกิดความวิเวกทางจิตใจขึ้นมา mm hmm. ต้องมีศีลแปลต้องมีการเปรีกวิเวก mm hmm. แล้วก็ต้องไม่ไปสังคมกับใครไม่ไปคลุกคลียกับใครแต่เมืนจะไปเปรกวิเวกตามสถานที่ปฏิบัติอาจจะเจอผู้ปฏิบัติ ทำด้วยกันก็ไม่ควรที่จะไปทุกงทีกันไม่ควรที่จะไปจับเขาคุยกันนั่งสนทนากันถามสาระทุกสุขหยดีกันหรือชวนกันไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆไม่ควรที่จะเกี่ยวข้องกันผู้ที่ไปแสวงหาควาสมสงบนั้นไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับใครตัวใครตัวมันทุกคนมีหน้าที่ทำอะไรก็ทําไป เวลามีหน้าที่มาร่วมรับประทานอาหารก็รับประทานกันไปแต่ไม่ต้องมาสนทนาคุยกันเวลาต้องทําความสะอาดสถานที่ก็ช่วยกันทําไปทํากันเสร็จก็แยกย้ายกันไปให้ไปอยู่ที่ที่พักของตนที่ปฏิบัติธรรมของตนให้อยู่ตามลำพังคนเดียวอันนี้เรียกว่าเป็นการไม่คลุกคลีกันนี่ ไปอยู่ที่สงบแล้วสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบแต่อาจจะต้องไปอยู่ร่วมกันหลายคนอาจจะต้องมาร่วมทํากิจกรรมกันเช่นเวลารับประทานอาหารก็ดีหรือเวลาที่มาฟังเทศฟังธรรมก็ดีจําเป็นที่จะต้องมาร่วมกันแล้วก็มาทํากิจเหล่านี้แต่ไม่มีกิจอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่พอนแจกกันก็เริ่มคุยกันสนทนากันถามสาระทุกขสุขดิบกันอันนี้ไม่ใช่เป็น เรื่องของนักปฏิบัติธรรมจะทำกันหลางมากก็อาจจะทักทายกันนิดหน่อยยกมือไหว้กันแล้วก็ต่างขวายต่างรู้ว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ที่จะต้องคอยควบคุมความคิดคอยเจริญสติอยู่ในทกิริียบทนี่ก็คือเครื่องมือข้อที่สี่ก็คือก็คือต้องเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองต้องถือศีลเครื่องมือข้อที่หนึ่งก็คือมีศีล ละมีการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้งกายไม่ให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆแล้วก็ <c oughs> ให้ไปหาสถานที่สงบวิเวกห่างไกลจะ <c oughs> เป็นที่สงบสงัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆ <c oughs> แล้วก็ไม่คลุกคลีกันเวลาไปอยู่ด้วยกัน <c oughs> แล้วก็ให้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร กบชนาการก็คือไม่ให้รับประทานมากจนเกินไปอย่ารับประทานจนอิ่มท้องเพราะถ้าอิ่มแล้วมันจะเกิดความขี้เกียจเกียดคา้านเกิดความง่วงนอนขึ้นมาดังนั้นรับประทานพอระงับความหิวได้ก็พอแต่ไม่ต้องรับประทานจนกระทั่งมันอิ่มเต็มที่ถ้ามันอิ่มเต็มที่แล้วมันจะเจอนี้วอนคือความง่วงเหงาหานอนตามมา <c oughs> นักปฏิบัติธรรมต้องยอมทนกับความทุกข์ทางร่างกายบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเหมือนกับคนที่ต้องฉีดยาเพื่อรักษาโรคภัยก็ต้องยอมเจ็บกับเข็มฉีดยาบ้างแต่การเจ็บนี้มันเป็นเพื่อการรักษาโรคภัยที่มันทุกข์ทรมานยิ่งกว่าความเจ็บที่ได้จากเข็มฉีดยาดัางนในการทุกข์ทรมานที่เกิดจากการไม่ไม่กินอาหารมากจนเกินไปนี้มันก็เป็น เป็นความเจ็บเหมือนกับฉีดยาเพื่อที่จะทำให้เราได้ได้ได้ความสงบได้ความสงบที่เกิดจากความสงบเพราะถ้าเรากินมากแล้วเราอิ่มนี่เราจะนั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกบก็เดินไม่ไหวมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือนอนไปปฏิบัติธรรมแต่ท้านี่จะไปปฏิบัติก็ไปกินกว่าไปนอนเท่นั้นเองอย่างนี้ก็จะไม่ได้ผลไม่เกิดประโยชน์ ต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารนักปฏิบัติแล้วก็ข้อที่ห้าก็คือต้องเจริญสติในทุ ก, กิริยาบุตรตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับให้มีสติคอยกํากับคอยควบคุมบังคับใจไม่ให้ลอยไปลอยมาไปกับความคิดต่างๆผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จ ะ, ะดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับ ความคิดปรุงแต่งต่างๆธรรมทานนี้ก็มีหลายหลายชนิดด้วยกันแต่สำหรับผู้เริ่มต้นในการเจริญสตินี้ก็มักจะมีอยู่สองสามชนิดที่สามารถเลือกใช้ได้ที่ใช้กันส่วนใหญ่ที่ที่ง่ายที่สะดวกที่สุดก็คือการเจริญพุทธานุสติการมีสติอยู่กับพระพุทธเจ้าก็กิดเราเลิกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปในใจเราจะไม่ใจจะไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ได้ถ้าเราอยู่กับพุทโธแต่ถ้าเราเผลอหยุดพุทโธเมืเ่อไหรนะ่เดี๋ยวไปละไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้นเรื่องนั้นเรื่องนี้นขึ้นมานะอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติแนละ้วถ้าใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลามานั่งสมาธิมันจะไม่สงบมันใช มันจะสงบนิ่งไม่ได้เพราะมันจะคิดอยู่เรื่อยๆความคิดนี่มันเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขามันจะวิ่งลงไปเรื่อยๆคืมันจะไม่มีมันจะไม่หยุดนอกจากว่าถ้าเราเหยียบเบรกเท่านั้นมันถึงจะหยุดได้เบรกของใจก็คือสมาธินี่ก็ ค, คือสตินี่เราต้องพยายามพอยเบรกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตามลําพังเราก็ไม่ต้องมีเรื่องราวที่ต้องคิดเท่าไหร่ งานการก็ไม่มีทำให้ทํเพราฉะนั้นเราท่านเราอยู่คนเดียวเราก็จะสามารถเจริญสติได้ได้ง่ายได้พ <c oughs> อมีมตาขึ้นมาก็เริ่มพุโทโธเลยก่ <c oughs> อนที่จะปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, น, นี้เราก็พุโทโธพุโทโธไป <c oughs> ถ้าอยากถ้ามีความจาเป็นจะต้องคิดบ้างก็หยุดพุดโทโธไว้เชื่อข่าวแท <c oughs> นอย่าคิดว่าวันนี้วันอะไรต้องไปทําอ่ะต้องไปทําอะไรต่อ ต้องไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเอารู้แล้วก็หยุดหยุดคิดแล้วก็กลับมาพุโทโธพุโทโธในขณะที่เราไปทํางานล้างหน้าอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็ให้มีให้มีพุโทโธคอยกํากับใจอยู่เรื่อยๆอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงแม้จะไปร่วมทํากิจกรรมรับประทานร่วมกับคนนั้นคนนี้ก็ไม่ต้องไปส่งใจไปหาเขา ไม่ต้องไปคุยเขาไม่ต้องไปพูดกับเขาถ้านักถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วจะรู้มา ร, รยาทของนักปฏิบัตินักปฏิบัตินี้ไม่ต้องการที่จะคุยกับใครต่างคนต่างจะต้องการควบคุมสติควบคุมความคิดของตนเอมันจะไม่รู้สึกอึดอัดถ้าเราไปอยู่กับพวกปฏิบัติด้วยกันแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่กับพวกปฏิบัตินี้ถ้าเราไม่พูดไม่คุยเดี๋ยวก็จะหาว่าเราหยิ่งมั่งหาว่าเราโกรธเข้าบ้างเกลียดเขาบ้าง แล้วเราก็จะรู้สึกอึดอัดเราก็จะต้องต้องไปคุยกับเขาไปทักทายมันก็เลยทำให้เราขาดสติไปแต่ถ้าเราไปอยู่กับกลุ่มที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันผู้ที่ไปปฏิบัตินี้จะรู้จักมารยาทของของการอยู่ร่วมกันว่าเวลาผู้ปฏิบัติมามาเจอกันมาร่วมกันนี้จะไม่คุยกันแต่คนต่างจะมีหน้าที่จเจริญสติของตนไปเรื่อยๆมีสติอยู่กับกิจที่ต้องทา เช่นขณะรับประทานอาหารก็มีสติอยู่การรับประทานอาหารแล้วก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดก็ใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธคอยระ ง, งับเหมือนวัยทำกิจกรรมอย่างอื่นทำความสอาดสถานที่ก็เช่นเดียวกันต่างคนก็ต่างทำกันไปทำไม่เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปนี่คือเรื่องของการเจริญสติในระหว่างวันในเวลาที่เราต้องมีการทากิจกรรม ที่จำเป็นคือการเลี้ยงดูร่างกายการรับประทานอาหารการดูแลความสะอาดของร่างกายอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันหรือการซักเสื้อผ้าอะไรต่างๆหรือการทำความสะอาดสถานที่มันยังต้องมีมีงานต้องทำอยู่บ้างแต่ไม่เป็นงานที่เราไม่ต้องใช้ความคิดได้คิดความคิดน้อยมากพอเราใจเราพอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ดึงมันกลับมา ห้าอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้ไปพอถึงเวลาที่เราไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็มานั่งสมาธิถ้ายังนั่งไม่ได้นั่งเนี่ยู้สึกง่วงนอนอยู่ก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อนเวลาเดินก็พุทธโธพุทธโธไปเหมือนกันเดินไปก็พุทธโธพุทธโธหรือจะดูการก้าวเท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้ข้อสาคัญก็คือให้มีอะไรดึงใจไว้ ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้เท่าไงเป้าหมายของการฝึกสติก็เพื่อหยุดความคิดต่างๆไม่ให้ใจไปคิดในเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดก็ให้คิดเท่าที่จำเป็นแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดก็อย่าคิดให้อยู่กับพุโทโธไปหรือถ้าเราเหนื่อยบริกรรมพุโทโธแล้วเหนื่อยเปลี่ยนมาการดูร่างกายแทนก็ได้ จากพุทธานุสติเรามาใช้กายากัตตาสติกด้คอยดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากราลังทำอะไรอยู่เช่นกำลังเดินจงกรมเราก็ดูที่เท้าไปเวลาก้าวเท้าซ้ายเราก็ว่าซ้ายเวลาก้าวเท้าขวาเราก็ว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงให้มีอะไรคอยกลับกลับควบคุมใจไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราสามารถควบคุมใจให้รู้อยู่กับปัจจุบันรู้อยู่กับงานที่เราทำอยู่หรือว่าให้รู้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธพอเวลาเรามานั่งสมาธินี้ใจจะไม่ฟุง้งใจจะสงบได้ง่ายมานั่งสมาธิก็มีวิธีอาจจะใช้พุโทโธต่อก็ได้ถ้าเราถนัดเราเห็นคุณค่าของพุโทโธมีพุโทโธแล้วใจเรานิ่งใจเราเย็นใจเราสงบ เวลาเรามานั่งสมาธิเราก็นั่งหลับตาแล้วก็ระลึกงถึงพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องดูลมหายใจบางคนเข้าใจผิดที่ว่าเวลานั่งสมาธิต้องมีทั้งพุโทโธมีทั้งลมหายใจเข้าออกอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จาเป็นเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้หรือถ้าเราบริกรรมพุโทโธมาแล้วเราเหนื่อยเราอยากจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้ หรือว่าเราขณะที่เราจเจริญสติเราใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายพอเวลาเรามานั่งร่างกายไม่เคลื่อนไหวเราก็มาดูสิ่งที่เคลื่อนไหวก็คือลมหายใจแทนเราก็มาดูลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอานาปณะสติถ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติเหล่านี้เป็นการจเจริญสติ เนการคอยระงับความคิดปรุงแต่งคอยดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะถ้าคิดแล้วมันจะยาวมันจะไหลยาวไปคิดแล้วมันต่อจากเรื่องนี้ก็ไปเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นก็ไปคนนั้นจากคนนั้นก็มาสิ่งนี้มันคิดไปได้เรื่อยเปื่อยตลอดทั้งวันทั้งคืนถ้าปล่อยให้มันคิดเวลามานั่งสมาธิมันก็จะไม่นิ่งมันก็จะไม่หยุดคิดมันก็จะคิดไปเรื่อยเื่นั่งไปก็ไม่เกิดผล นั่งไปได้ไม่นานก็จะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกสติมาอยู่ทั้งวันตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นมาจนถึงเวลาที่เรามานั่งสมาธิความคิดนี้มันจะมีน้อยมากมันจะไม่มาสร้างความรบกวนให้กับใจของเราเวลานั่งเราก็เลือกได้ถ้าเราชอบพูดโธเราก็พูดโทต่อไป ถ้าเราชอบดูลมหายใจแล้วก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจก็ได้หรือบางคนถ้าอยากจะเอาสองอย่างมารวมกันก็ได้อันนี้แล้วแต่ความถนัดแต่ไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนกันทุกคนบางคนต้องพุโทโธด้วยต้องดูลมด้วยถึงจะสงบก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้บางคนบอกมันยุ่งยากเอาอย่างเดียวได้ไหมได้เอาพุทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องดูลมก็ได้ เราพุทโธอย่างเดียวมันดีกว่าดูลมเพราะบางทีบางทีใจเราคิดมากเราอยากจะพูดโธให้มันเร็วขึ้นถ้าเราไปผูกไว้กับลมเราก็บริกรรมพูดโธให้เร็วขึ้นไม่ได้เวลาที่เรานั่งไปนานๆแล้วเกิดอาการเจ็บขึ้นมาตามนั่งกายนี้ใจมันก็จะเริ่มพุ่งแล้วใจอยากจะลุกแล้วอยากจะให้ความเจ็บหายไปถ้าเราอยากจะให้ให้ ให้เรานั่งต่อไปให้มีสตินั่งต่อไปได้เราก็จะต้องบริกรรมพุทโธให้ถี่ขึ้นถ้าเราผูกใจผูกการบริกรรมพุทโธไว้กับการดูลงหายใจเข้าออกเราก็จะบริกรรมพุทโธให้ถี่ไม่ได้พอบริกรรมไม่ถี่ใจมันก็จะมีช่องแวบไปหาหาความเจ็บแล้วก็เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปอยากจะลุกจากการนั่งไปถ้าเราสามารถบริกรรมพุทโธให้ถี่ขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงความเจ็บไม่ให้ใจไปอยากให้ความเจ็บหายไปใจมันก็จะนั่งต่อไปได้ใจก็จะสงบจากําบริกรรมพุโทโธแต่เราอาจจะต้องเปลี่ยนความเร็วของการบริกรรมให้มันเร็วขึ้นให้มันพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธถีขึ้นไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเราดูลมด้วยพุโทโธด้วยเราจะทำไม่ได้เพราะลมมันมันมีจังหวะของมันลมเข้าลมออกเราจะไปเล่งลมไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเล่งคําบริกรรมแล้วก็ทิ้งลมไปเลยไม่ต้องไปผูกกับลมไว้ให้อยู่กับคําบริกรรมอย่างเดียวพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวก็ได้อีกวิธีหนึ่งก็ได้สําหรับผู้ที่ยังไม่สามารถบริกรรมพุทโธได้ขณะที่นั่งจะใช้การท่องสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ในขณะอยู่ในท่าสมาธินี่นั่งหลับตาทําสมาธิแต่แานที่จะใช้พุทโธก็อาจจะสวดบทสั้นบ้างยาวบ้างก็ได้ เป็นส่วนพุทธังสละนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังทังสละนังกชามิก็ได้หรือสวดอาหังสัมมาไปหรือสวดอิติปิโสไปสวดไปตั้งสวดไปเรื่อยๆก่อนสวดไปเพื่อสกัดความคิดต่างๆพอใจเริ่มเริ่มสงบเริ่มไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นนแล้วก็ค่อยมาดูลมหายใจต่อก็ได้หรือมาบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้ อันนี้คือการเจริญสติในรูปแบบต่างๆที่ผู้ปฏิบัติอาจจะต้องลองผิดลองถูกดูเพราะจริตนิสัยของแต่ละคนนี้อาจจะไม่เหมือนกันบางคนชอบทำบริกรรมบางคนชอบเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายชอบดูลมหายใจเข้าออกบางคนยังดูไม่ได้บริกรรมไม่ได้แต่สวดมนต์ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ทันนี้ใช้คำบริกรรมพุทโธตื่นขึ้นมาก็ท่องอิติปิโสไปเลยก็ได้ ถ้าเราสวดจำจำบทสวดมนต์ได้บทไหนก็ได้สั้นก็ได้ยาวก็ได้สวดไปพอมันจบแล้วก็สดวดเราก็เริ่มสวดใหม่สวดไปเรื่อยๆพอมันจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่พอมันจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทำไปเรื่อยๆให้มันมีอะไรที่จะคอยสกัดความคิดเท่านั้นเองถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเวลามานั่งสมาธิเราก็จะสามารถนั่งสมาธิได้บางคนก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมเป็นวิธี ฝึกสมาธิไปก็จเจริญสติไปก็ได้การฟังธรรมก็เรียกว่าเป็นการจเจริญธรรมานุสติแทนที่จะจะเลิกรู้ถึงพุโทโธพุโทโธเราก็ฟังเสียงธรรมที่ผู้แสดงกําลังแสดงอยู่แล้วเราก็ตั้งใจฟังฟังแต่เสียงธรรมนั้นจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ให้ใจเราเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมไปอย่าเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เท่านั้นเองอันนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายกว่า เพรบางคนนี้เวลานั่งตามลำพังนี้นั่งได้ไม่นาน10บนาที20นาทีก็จะหมดหมดกําลังของสตินะ่ะแต่ถ้าให้นั่งฟังเทศอย่างเช่นวันนี้นั่งทีนึงก็ฟังทีชั่วโมงหนึ่งบาเขาก็นั่งนั่งฟังได้อย่างสบายไม่รู้สึกเก็บไม่รู้สึกอยากจะลุกเลยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสาําหรับผู้ที่ยังฝึก ส, สมาธิฝึกสติเริ่มต้นอยู่ยังไม่รู้ยังนั่งสมาธิเองไม่ได้ ดูรวมหายใจเขาออกไม่ได้บริกรรมพุโทโธเองไม่ได้สวดมนต์ก็ไม่ได้ก็อาศัยการฟังธรรมไปก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็เปิดเสียงเทศไปฟังไปเอาเสียงเทศมาเป็นอารมณ์แทนพุโทโธแทนการดูรวมหายใจไปก็ได้แต่ในขณะที่เวลาฟังเทศนี้อย่าไปทําอย่างอื่นใจอย่าไปทําอย่างอื่นเช่นอย่าไปบริกรรมพุโทโธอย่าไปดูรวมหายใจเขาออก ให้ให้อยู่กับการฟังธรรมอย่างเดียวเอาเสียงธรรมเป็นอารมณ์อย่างเดียวถ้าเราไปบริกรรมพุโทโธด้วยมันจะชนกันมันจะตีกันถ้าเราไปดูลมด้วยมันก็จะมันก็จะชนกันใจก็จะต้องไปสองแห่งแบ่งไปที่เสียงธรรมแล้วก็ต้องมาดูที่ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้อยากฟังธรรมก็จะฟังไม่รู้เรื่องจะไม่เกิดปัญญาจะไม่เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเป้าหมายของการฟังธรรมที่แท้จริงก็คือให้เกิดปัญญาให้มีสมาทิฏฐิ ให้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติสร้างความสงบของใจว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง mm hmm. นั้นต้องตั้งใจฟังเวลาฟังทมตั้งใจฟังอยู่ที่เสียงธรรมอย่างเดียว mm hmm. แต่จะเข้าใจมากเข้าใจน้อยนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าธรรมมันมีหลายระดับด้วยกันในระดับที่เราเข้าใจได้ก็ก็เข้าใจไปในระดับที่เราไม่เข้าใจก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆก็ได้แล้วเสียงนี้ก็จะกล่อมใจให้ให้สงบ ให้เป็นสมาธิขึ้นมาได้แต่ไม่ไม่ได้เป็นสมาธิแบบร0อยปอร์เซนไม่ได้เป็นสมาธิแบบรวมเป็นเป็นฌานแต่ยังเป็นสมาธิที่ทำให้ใจเย็นทำให้ใจสบายได้ถ้าเป็นฌานก็อาจจะเป็นฌานต้นๆเช่นฌานขั้นที่หนึ่งมีวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณก็คือวิโต ก, กับเรื่องธรรมที่เราฟังอยู่วิจารเรื่องที่เรื่องของธรรมที่เราฟังอยู่เราฟังไปแล้วอาจจะพิจารณาตามได้ พิจารณาตามแล้วเกิดความเข้าใจก็เรียกว่าเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาอันนี้คืออุบายวิธีการต่างๆของการสร้างความสงบให้กับใจที่ผู้ปฏิบัติสามารถทําได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นค า, ารวะผู้ครองเรือนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือเป็นคนหนุ่มคนสาว อันนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทำใจให้สงบเราใช้ธรรมะคือสติใช้ปัญญาตอนต้นนี้เราใช้สติเบื้องต้นก่อนใช้สติทำใจให้สงบก่อนห ล, หลังจากนั้นพอเราได้ความสงบจากสติแล้วซึ่งเป็นความสงบชั่วคราวถ้าเราอยากจะให้ความสงบเป็นความสงบที่ถาวรต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญานี่แหละที่จะทาให้ใจ สงบอย่างถาวรทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิหรือไม่ได้อยู่ในสมาธิออกจากสมาธิมาถ้ามีปัญญาปัญญาก็จะสามารถรักษาใจให้สงบไปได้ตลอดเวลาไม่มีวันชิ้นสุดไม่มีวันเสือ่อมแตก่อนที่จะไปถึงขั้นปัญญาได้เราต้องผ่านขั้นสติให้ได้ก่อนเพราะถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่มีผู้ที่จะมาดึงใจให้ไปคิดทางปัญญานั่นเองเพราะเราต้องมีสติดึงใจให้มาคิดทางปัญญา คิดทางตายรักคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไม่มีสติใจของเราก็จะถูกก ว, วิชาโมหะดึงให้ไปคิดในทางนิจจังสุขขังอนัตตาพอาคิดถึงนิจจังสุ ข, ขังอนัตตาก็จะกำเกิดความอยากแล้วก็จะไปหาความสุขชั่วคราวแทนที่จะไปหาความสุขที่ถาวรแต่ถ้าเราพิจารณาสามารถดึงใจให้มาพิจารณาตายรักได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ เราก็จะสามารถทำความสงบของใจที่เป็นความสงบของสมาธิหรือสตินี้ให้กลายเป็นความสงบของปัญญาขึ้นมาถ้าเป็นความสงบของปัญญาแล้วมันจะเป็นความสงบที่ถาวอเพราะปัญญาจะไปแก้ปัญหาตัวที่ทำให้ใจไม่สงบก็คืออวิชชาโมห์อวิชชานี้พอโมห์อวิชชาถูกกาจัดด้วยปัญญาแล้วตัวที่มาสร้างความไม่สงบให้กับใจก็จะถูกทาลายไปหมดก็คือกิเลสตัณหานั่นเอง อันนี้เป็นระดับที่ที่ที่จะตามมาหลังจากที่เราฝึกสมาธิได้แล้วพอเราทำงานทางสมาธิสามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการต่อไปเราก็มาฝึกปัญญาเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเวลาใจไม่สงบก็ให้ใช้ปัญญาค้นหาว่าอะไรที่เป็นตัวทําให้ใจเราไม่สงบถ้าเรามองเข้าไปในใจเราก็จะเห็นทันทีว่าตัวที่ทําให้ใจเราไม่สงบก็คือกิเลสตัณหานี่ ที่เกิดจากโมหะอวิชชาที่ยังไปคิดว่าความสุขอยู่อยู่กับสิ่งภายนนวอยู่ยังอยู่กับคนนั้นคนนี้ยังอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แต่ความจริงแล้วมันมันความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นใจรักเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาอันนี้เป็นขั้นของปัญญาต่อไปพอได้ขั้นปัญญาแล้วก็จะสามารถทําใจให้สงบได้ตลอดเวลาพอมีความสงบตลอดเวลาจะเข้าสมาธิก็ได้ไม่เข้าสมาธิก็ได้เพราะใจไม่มีปัญหา สงบตลอดเวลาเพราะตัวที่มาสร้างความไม่สงบนี้ได้ถูกกําจัดไปด้วยปัญญานั่นเองนี่แหละคือเรื่องของลถแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงคืลดของวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ลดของนิพพานนิพพานันบบานงบรมังสุขถังที่จะเกิดจากการที่เรามาทําใจให้สงบกันด้วยการใช้เครื่องมือสองชนิดด้วยกันตัวหนึ่งสติน่าสองปัญญาและด้วยการสนับสนุนของ ของศีลและของการที่รู้จักการรู้จักการหาสถานที่ที่ปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าเรามีความรู้เหล่านี้แล้วนำเอาไปปฏิบัติได้ไม่ใช้ก็เร็วเราก็จะได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบอันต้นก็ได้จากสติเป็นของความสงบแบบชั่วคราวแล้วต่อไปเราก็พัฒนาด้วยปัญญาให้กลายเป็นความสงบอย่างทาวรต่อไป มีความสงบอย่างถาวรแล้วภารกิจของการปฏิบัติธรรมก็สิ้นสุดลงวุสิตังบ ร, รัมจาริยังกิจในพรหมจรรย์นี้ก็สิ้นสุดลงเพราะไม่มีอะไรต้องทํำอีกแล้วถ้าเป็นคนไข้ก็ไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วไม่ต้องกินยาแล้วไม่ต้องหาหมอแล้วเพราะว่าหายจากโรคแล้วกลับไปอยู่บ้านของตันเองได้อัในใดผู้ที่ทํากิจทําใจให้สงบด้วยสติด้วยปัญญาได้แล้วก็ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจต่อไป ไม่มีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติทมอีกต่อไปนี่คือเรื่องของความของความสงบที่เป็นรถแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งตัวนี้เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวารวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวามีวะอิโตทินังเปตานาังอุปกัปติ อิชิตังปฏทธิตังสุนหังคิปเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรงตุสังกะปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารายสุขีธีฆายุโกภว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 จากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ475ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์280ยู u ูบด็อกเตอร์วี77พิทยุออนไลน์7คลับเฮาส์1นาคุด129รวมทั้งหมด969ท่านค่ะมีคำถามเาเชิญค่ะค่ะคำถามจากทาง คำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะเป็นซึมเป็นซึมเศร้าต้องทำยังไงคะก็ฝึกสติทำใจให้สงบแล้วอาการซึมเศร้าก็จะหายไปคำถามจากทางยูทู e ค่ะมนุษย์พอเพียงได้ไหมเจ้าคะสมัยนี้ถ้าอยู่ในสังคมปัจจุบันค่ะ มนุษย์อะไรนะมนุษย์มีความพอเพียงได้ไหมเจ้าค้าในสมัยนี้ถ้าอยู่ในสังคมปัจจุบันค่ะถ้ามีกิเลสมันก็ไม่มีวันพอเพียงเพราะกิเลสมันมีแต่ความต้องการอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยคือก็อยากจะได้สองได้สองก็อยากจะได้วาได้วาก็อยากจะได้กิโลเออแต่มันไม่มีวันสุดเป็นในายสิบก็อยากจะเป็นในายร้อยนายร้อยก็อยากจะเป็นในายพัน นายพน์ก็อยากจะเป็นนายมื่นไม่มีวันสิ้นสุดแล้วถ้ายังมีความอยากอยู่ความเพียงพอเกิดจากการไม่มีความอยากและการจะไม่มีความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติทำทําใจให้สงบให้ได้ถ้าใจสงบแล้วความอิม่มความพอมันก็จะเกิดขึ้นพอช่วงนั้นเวลาใจสงบกิเลสมันไม่ทํางานพอกิเลสหยุดทํางานความอิม่มความพอมันก็จะปรากฏขึ้นมา ถามจากทางบ้านคะ่ะกราบขอโอกาสหลวงพ่อเมตตาอธิบายเพื่อความเข้าใจกระจางแจ้งว่าเราจะมีเกณฑ์หรือมาตรฐานในการวัดความบริสุทธิ์ของศีลโดยเฉพาะศีลห้าขึ้นไปสำหรับคนอื่นนะเราเองโดยไม่เข้าข้างตนเองหรือมีอคติกับคนอื่นได้อย่างไรบ้างเจ้าคะก็ดูตามที่ข้อห้ามใฆ่าหรือไม่ฆ่าข้อไฆ่าก็ผิดข้อสองรักทรัพย์ของผู้อื่นเขาหรือเปล่า ข้อสามมาพื้ปิดประเพณีหรือเปล่าข้อสี่โกหกหลอกลวงหรือเปล่าข้อห้าก็เดื่มชุลายยามาหรือเปล่ามันก็มีแค่นั้นแล้วไม่มีคำจําเป็นจะต้องไปวัดคนอื่นไม่ใช่หน้าที่ของเราเราคอยดูศีลของเราก็พอคนอื่นเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาจะรักษาหรือไม่รักษามันก็เป็นเรื่องของเขาคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ กราบขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อมีความคิดใช้ท่องอาการ32กลับไปกลับมาจนความคิดถูกจนความคิดหยุดใช้เป็นทางได้ไหมเจ้าค่ะบางครั้งขึ้นแค่คาว่าผมความคิดก็เหมือนจะหยุดไปเลยเจ้าค่ะขอพระอาจารย์แนะนำเพิ่มเติมค่ะก็พยายามหยุดความคิดไปเรื่อยๆมือนรถ่ะถรถมันวิ่งลงเขาเราก็ต้องคอยเหยียบเบรกเรื่อยๆถ้าต้องการให้มันหยุด พอเราปล่อยเบรกมันก็จะไหลลงไปต่อความคิดของเราก็เหมือนรถที่วิ่งลงเขาแล้วต้องคอยเหยียบเบรกอยู่เรื่อยๆต้องให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้เพราเวลามันนิ่งแล้วเราเกิดความสงบใจสบายใจขึ้นมาเบาใจเบาอกเบาใจความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความคิดทั้งหลายมันจะหายไปชั่วคราวคําถามจากคุณจารุรนค่ะ คำถามที่หนึ่งการบริการพุทโธต้องบริกรรมภายในใจหรือต้องบริกรรออกมาดังๆครับผมบริกรรในใจแต่ก็เผยคิดเรื่องอื่นสลับไปสลับมาตลอดสนท้อเหมือนกันครับก็มันใหม่ๆ ม, ม, มันก็ผัดกันลุกผัดกันรับนะคือความคิดมันยังมีกำลังมากอยู่ถึงเวลาจะบริการพุทโธแต่การบริกรรของเรามันยังมีกำลังไม่มากพอที่จะไปหยุดความคิดได้ทันทีทันใด เหมือนรถนะที่วิ่งมาเร็วๆเราแตะเบรกแล้วว่ามันจะหยุดทันทีใช่ป่ะมันยังไม่หยุดหรอกมันก็จะวิ่งไปแต่มันจะช้าลงช้าลงถ้าเราเหยียบเบรกไว้ไม่ปล่อยเบรกอันใดพุทโธก็เหมือนกันพอเราเริ่มพุทโธปั๊บมันไม่ใช่ความคิดจะหายไปทันทีไม่หายมันก็ยังคิดอยู่ของมันแต่เราก็อย่าไปสนใจกับความคิดให้พยายามมาอยู่กับพุทโธพุทโธให้มากขึ้นให้นานขึ้น อย่าไม่ใช่พูดโทรสอสามคำแล้วก็หยุดแล้วคิดว่าความคิดจะหายไปถ้าอย่างนี้ไม่มีวันหายนะบางทีต้องพูดโทรเป็นครึ่งชั่วโมงเงี้ยถึงจะถึงจะเห็นผลว่าโอความคิดเริ่มเบาลงหายลงเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ใจเย็นๆต้องใช้ความเพียรพยายามให้อยู่กับพูดโธรไปเรื่อยๆถ้าพูดโทรมันซ้ำซากก็ลองเปลี่ยนเป็นการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดบทอิติปิเศไปร้อยจบอย่างเงี้ก็ได้สวดไปเรื่อยๆ ไปแล้วต่อไปความคิดมันก็จะเบาลงช้าลงไปแล้วอาจจะหายไปได้ต่อไปคำถามข้อที่สองค่ะเวลาเราป่วยเช่นเป็นหวัดธรรมดาไอเจ็บคอแต่ทำไมดูเหมือนใจเราป่วยไปด้วยครับคือพูดหรือคิดอะไรไม่ปกติเหมือนยามที่กายไม่ป่วยเพราะใจเราอยากจะให้มันไม่ป่วยไงก่อความทุกข์ใจขึ้นมา คำถามจากคุณอนนบค่ะขอเรียนสอบถามว่า การที่เราจะพิจารณากาย<ม>เช่นผลผมขนแลบ ฟ, ฟันหนังพิจารณาอสุภะหรือพิจารณาธรรมข้ออื่นๆนั้นเราต้องมีสมถะคือความสงบหรือความเป็นอุเบกขาให้แน่นหรือให้ชํานาญก่อนใช่ไหมครับหากยังไม่มีความ ส, มสงบเรายังไม่ควรไปพิจารณาควรทําความเพียรเรื่องสมถะภาวนาให้จิตรวมจิตสงบเป็นอุเบกขาจนชํานาญก่อนใช่ไหมครับก็โดยหลักก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องสดช สติสุขสมาธให้มีกําลังก่อนเราถึงจะสามารถไปพิจารณาไปเจริญทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพแ ต, แต่ถ้าในกรณียกเว้นค่็ จ, จะมีบางครัง้งบางคราวที่เราอาจจะใช้การพิจารณาปัญญาระงับดับความทุกข์ได้เป็นครัง้งเป็นคราวแบบชั่วคราวไปก่อนก็ใช้ได้แต่ถ้าพิจารณาแล้วมันใช้ไม่ได้ก็กลับมาอาศัยสติทําใจให้สงบจะดีกว่า คำถามข้อที่สองค่ะหากเรามานั่งดูกายดูอสุภะทั้งทั้ที่ยังไม่มีฐานแห่งความสงบใจหรืออุเบกขามันจะเป็นแค่สัญญาไม่ใช่ปัญญาใช่ไหมครับเราดูที่ว่ามันหยุดความคิดได้หรือเปล่าหยุดหยุดความอยากได้หรือเปล่าถ้าหยุดความอยากได้มันก็เป็นปัญญาถ้ามันยังหยุดไม่ได้ก็ยังเป็นสัญญาอยู่ ข้อที่สามรับฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์ที่ห้องพระที่บ้านไม่ได้ไปฟังที่นากุฎอันนี้ส่งของการฟังธรรมได้เท่ากันได้เท่ากันไหมครับก็อยู่ที่ว่าคนฟังอยู่ที่ผลผลเกิดที่การฟังของคนถ้าฟังแบบมีสติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันผลก็จะได้เท่ากันถ้าฟังแล้วมันไม่มีสติมันผลก็จะไม่เท่ากันผลอยู่ที่การมีสติและไม่มีสติเวลาฟัง คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะคารวะที่บรรลุธรรมในยุคปัจจุบันยังมีอยู่ไหมครับแล้วท่านเหล่านั้นที่บรรลุแล้วเขายังต้องปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนแต่ก่อนๆที่จะบรรลุไหมครับก็ยังไม่มีใครทําสํารวจเลยคุณลองไปทำสารวจให้ดูหน่อ ย, อยสอบถามคารวะที่ปฏิบัติตามวัดต่างๆดูคุณบรรลุธรรมหรือ ย, ยังขั้นไหนอขอทําเป็นสถิติจะได้ให้คนอื่นเขารู้ว่าเขาจะได้มี กำลังจิตกลังใจที่จะปฏิบัติต่อคำถามจากทาง Facebook ค่ะหนูจะทำอาชีพพ่อพันลูกสุนัขขายบาบไหมคะแล้วเราขายชีวิตเขาทำให้เขาพัฒา์จากพ่อแม่เราจะตกนรกไหมคะทำไมเราไม่เพราะลูกเราแล้วเอาลูกเราไปขายแท น, นคิดถึงตัวเราดูสิถ้าเราทำกับตัวเราได้ก็ทำกับคนอื่นได้ ถ้าเราทำกับตัวเราเองไม่ได้เราก็อย่าไปทำกับคนอื่นเขาเพราะชีวิตของแต่ละคนเขาก็รักกันทั้งนั้นเขาก็ห่วงกันทั้งนั้นไม่อยากจะพัดพาคจากกันเราก็ต้องอย่าไปหาความสุขบนกองทุกข์ของผู้อื่นค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ถ้าเรารักษาศีลแปดแล้วเราได้ทำการช่วยตัวเองบาปหรือไม่ครับถ้าบาปบาปเพราะอะไรเพร<อ>าะศีลแปดไม่ได้ห้ามต้องศีลของพระศีลสองยี่บเจถึงมีการห้ามค่ะคำถามจากทางยููพระอาจารย์สุชาติค่ะมีข้อสงสัยว่าคนที่มีความผูกพันกันหากตายไปแล้วแล้วเจอกันในภพภูมิอื่นจิตจะยังจากันได้ไหมคะ ก็เขาบอกเขาเจอกันได้ก็มีคนก็มาพูดกันอยู่บ่อยๆวราชาติก่อนเคยเคยรู้จักกันมาก่อนชาตินี้มาเจอกันก็จับกันได้คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะการปล่อยป้าปล่อยเตาควรจะอธิษฐานอย่างไรได้ได้รับอนิสงส์อย่างไรบ้างเจ้าคะาก็สวดบทแผ่เมตตาไปสะเพสัตาเวลาโหตุตยองเหยาเป็นเวนเป็นกรรมกันเถิด ขอให้มีความสุขสุขเครียตนานังบริหารตุวขอให้เขามีความสุขจากการที่เขาได้รับอิสรภาพจากการที่เขาจะได้อยชีวิตอยู่ต่อไปได้จะสวยไม่สวยก็ได้ควจริงมันอยู่ที่การกระทาถ้าเราปล่อยปลาเราปล่อยปลาแล้วก็ให้ชีวิตเขาเราก็ให้ความสุขกับเขาโดยที่เราไม่ต้องพูดก็ได้ว่าขอให้เธอมีความสุขบางคนต้องมีความสุขแน่ๆ ว่ถ้าเราติดคุกอยู่แล้วเราได้รับการอภัยโทษเราจะรู้สึกยังไงเราก็จะต้องมีความสุขมีความดีใจปลาเขาก็เหมือนกันเขาถูกขังอยู่ใน<ม>อยู่ในตุ่มอยู่อะไรพอเขาได้รับปล่อยให้ไปไหว้ในน้ากว้างใหญ่ไพศาลเขาก็รู้ว่าโอ้เราเหลุดพ้นจากการถูกเจาะจองจํำนะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรก็ได้เพียงดาวไปปล่อยแค่นั้นเองขอให้มีการกระทํา คือการเมตตาเมตตาต่อกันแลกกันช่วยเหลือยกันดูแลกันใครตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ช่วยแบ่งเบาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กันอันนี้ก็เรียกว่ามีใช้เรียกว่าเมตตก็ได้กรุณาก็ได้เป็นธรรมที่จะทําให้ผู้กระทํานั้นจิตจะสูงขึ้นจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทวดาได้ต่อไปคําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ พระสกิตาคามีกับพระโสดาบันอารมณ์ต่างกันอย่างไรครับผมพระโสดาบันนี้ยังมีการมาลาคา100้าวร้อยเปอร์เซนตแต่พระสกิตาคารนี่ลดเหลือห้าสิบเปอร์เซนเบื่อบ้างอยากบ้างแต่พระโสด า, า น, นี่อยากตลอดเวลายังไม่เบื่อเห็นใครถูกออกถูกใจก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาทันทีแต่พระสกิตาคาร์เวลาคิดถึงอสุภะก็จะเบื่อเวลาไม่ได้คิดถึงอสุภะก็ยังอยากอยู่ ก็ต่างกันตรงนี้พระสโสดานยังไม่ได้เจริญอสุภาพเลยพระสะกิทาสกิฎาขานี่ก็ได้เจริญอสุภาพบ้างแต่ยังไม่ตลอดเวลายัยงเห็นว่าสวยบ้างยังเห็นว่าไม่สวยบ้างแล้วแต่ว่าจะจะคิดถึงอสุภาพหรือไม่คำถามจากทางยู u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะดินน้ำลมไฟ ถือว่าเป็นการเดินเดินทางปัญญาใหมเจ้าคะใช่เรื่องนินถ้าเห็นว่าร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟก็เป็นปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่มีตัวตนเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเหมือนกับเหมือนกับโทรศัพท์มือถือรองนี้ก็ทามาจากดินธาดินเป็นส่วนใหญ่มันก็ไม่มีตัวตนร่างกายก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือนี่มันก็ไม่มีตัวตน คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือตามพยานหลักฐานทำให้คนทำผิดถูกจำคุกหรือประหารจะบาปไหมคะบาปก็มันไปให้ความทุกข์กับคนอื่นรือสั่งให้คนอื่นเขาจองจำนะจากเขาแต่ถ้ายังไม่ถึงกับประหารชีวิตก็ไม่ถือว่าเป็นบาปมันได้ผิดศีลข้อหนึ่งแต่ถ้าประหารชีวิตนะก็จะถือว่าบาป ถ้าถังจำพวกนี้ก็ยังกัก บ, บริเวณเฉยๆยังไม่ถือว่าบาปอยู่ยังไม่มีคำถามค่ะโอมีใครอยากจะถามไหมมีการมีคำถามโอเคน่าเข้ามาเชิญขอโอกาสเจ้าค่ง อันนี้จะถามเรื่องการปฏิบัติอะคะ่ะพอดีโยมฟังเทศของหลายองค์แล้นะคะส่่ก็จะพูดว่าให้ไม่แน่ใจว่าเป็นสติสมาธิอะไรก็ะช่างบอกให้อยู่ในจุดเดียวก็ปกติเนี่ยโยมก็จะจี้ไปที่ปลายจมูกนะคะแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนะคะแต่เนี่ยอย่างตอนเนี้ยถ้าโยมไปกําหนดจุดที่จมูกเนี่ยโยมจะแบบเหมือนจะเครียดอะคะ่ะ โยมก็ต้องตีไว้จิตเ น, นี่ยตอนเนี้ยอยู่ที่ปลายสะดือเลยอะค่ะมันไม่หรอกมันอยู่ที่เมื่อเราถ้าเราทำอะไรอยู่ให้มีสติอยู่กับการทําถ้าเราพูดให้มีสติอยู่กับการพูดให้ทิง้งไอ้ที่ดูลมที่ปลายจมูกหรือที่ท้องไปไม่ถ้ามีการเคลื่อนไหวแล้วดูลมไม่ได้แล้วดูท้องไม่ได้ต้องดูการเคลื่อนไหวแทนถ้ามีคือถ้านั่งเฉยๆเนี่ยก็คือถ้าก็คือที่ปลายจมูกหรือก่อน แต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่นั่งเฉยๆเนี่ยโยมจะเอาไปที่ที่การกระทาหรือว่าที่สะดือสะดือจะดีกว่าค่ะเอออย่าไปอยู่ที่มันอยู่ไม่ได้ให้อยู่ในที่ที่มันอยู่ได้มันอยู่ตรงไหนได้ก็อยู่ตร ง, ตร ง, ตรงนั้นไปแต่โยมชินที่ ท, ที่ตรงตรงตรงปายสะดืออันนี้โอเคไหมคะก็ถ้ามันสมมตไม่คิดได้ก็ใช้ได้นั้นเป้าหมายก็คือการควบคุมความคิด จะที่ไหนก็ได้แต่ว่าขอให้ที่สบายแล้วก็ควบคุมความคิดแล้วก็หยุดความคิดให้ได้ใช่มันไม่เกี่ยวกับที่แบบต้องที่เดียวใช่ไหมคะถ้าถ้านั่งอยู่เฉยๆต้องอยู่ที่เดียวอืมแต่ว่าถ้าเดินไปนู่นนี่นั่นก็คือให้เปลี่ยนเป็นอีกอีกอีกอีกเคสเลยก็คือดูอริยาบทก็ได้อยู่กําลังทําอะไรอยู่ก็ดูอาวุธกำลังทําอยู่ก็คือถ้ามีคําว่าอริยาบทเกิดขึ้นก็คือโยมตีไปที่ไปสะดือได้เลยที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่มันสบายและเย็นอม ซึ่งเคสงโยมก็คือพี่ปลายสะดือโอเคก็ต้องระวังขับรถไปดูที่ปลายสะดือไม่ดูรถเดี๋ยวก็ชนกันได้พญานไหมก็ต้องดูการขับรถถ้าเวลาขับรถนี่จะจะส่งไปที่ตาเลยค่ะอ่าดูที่ดูที่ถนนดูที่รถอย่าไปดูที่สะดืออันนี้คือไม่ผิดใช่ไหมคะอ่าต้องต้องต้องรู้ว่าคนจะอยู่ที่ตรงไหนต้องใช้สติปัญญาพิจารณ า, าเวลาป ต, ติการการทํางานก็ต้องอยู่กับกับงานที่เรากําลังทําอยู่ อเดียวทํางานผิดพลาดได้ถ้าเราไม่เฝ้าดูงานที่เราต้องทำอยู่ก็แสดว่าต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอีกทีหนึงด้วยได้ว่านั้นคนไม่ควรอย่างไงเหมาะสมอย่างไรค่ะแต่เป้าหมายก็คือไม่ให้ไปคิดเรื่อยเปื่อยไม่ให้คิดเพ้อเจอเพ้อฝันไปเรื่อยๆวันแล้ยังยังไม่มีคําถามค่ะอ มีใครอยากจะถามไหมอันนี้ไม่มีนะโอเคอมีคําถามเข้ามาอีกลองเดี๋ยวแป๊บมีกระดาษเข้ามาคําถามสักผู้รับฟังหน้ากุดค่ะทําไมความฝันถึงเกิดขึ้นจริงทุกครั้งคะก็แม่นงไงมันถึงความฝันบางทีมันก็แม่นบางทีก็ไม่แม่นแล้วแต่คนบางคนอาจจะมีมีความสามารถพิเศษในทางนี้ก็ได้ ฝันเรื่องอะไรก็จะตรงกันเป๊ะเกิดไปก็ต้องคอยระวังว่ามันต้องสังเกตดูว่ามันมันมันตรงกันทุกครั้งหรือเปล่าบางทีมันอาจจะไม่ตรงก็ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนก็อย่าไปหลงกับความฝันก็แล้วกันให้ดูความจริงดีกว่าถือว่าความฝันเป็นเพลงแต่เครื่องเตือนใจเราบอกเหมือนกับเป็นสัญญาณบอกล่วงหน้าไว้ก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เราจะได้นำมัดระวัง อะเชิญจ้ะนี่คนเข้ามาถามนี่กราบนมัส ก, การเจ้าค่ะถ้าเราดูแลพ่อแม่นะคะด้วยเหมือนอปั จ, จัจสีครบท่วนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะให้ท่านได้อยู่สุขสบายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่พอใจกับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันก็กลายเป็นว่าท่านไม่พอใจพอไม่พอใจท่านก็จะเหมือนแบบพูดจาที่อาจจะด้วยถ้อยคาที่ไม่ดีหรือว่าเป็นการสาปแชงลูกอย่างนี้นค่ะก็กเป็นเรื่องของท่านไปเรามีหน้าที่เลียงดูร่างกายของท่านให้อยู่ได้ฉุกสบายแต่ถ้าท่านต้องการอย่างอื่นมากไปกว่านั้นที่เราไม่สามารถทำได้ก็ไม่ต้องไปกังวลก็ปล่อยให้ท่านว่าไปบางทีท่านก็ผิดหวังท่านก็เสียใจ ท่านไม่มีสติควบคุมอารมณ์ท่านก็อาจจะพูดเราพูดว่าจะเราไม่ดีก็ไม่เป็นไรคิดว่าเป็นการใช้ใช้ชดใช้บุญคุณที่เขาที่พ่อแม่มีกับเราก็แล้วกันพ่อแมส่สร้างเราขึ้นมาเลี้ยงดูเราขึ้นมาทีบางครั้งท่านก็ยังมีกิเลสอยู่ท่านไงอาจจะอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้พอไม่ได้แล้วก็ทาให้ท่านไม่สบายใจก็อย่าไปถือสาต้องสงสารเฉยอยู่เฉยๆไป อย่าไปโกรธท่างก็แล้วกันแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ไม่ได้โกรธอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราเหมือนเหมือนแบบชีวิตเนะี่ยเหมือนหนูเคยได้ยินมาว่าชีวิตมันจะตกตกตาตามคําพูดของพ่อแม่อันนี้ไม่เป็นจริงใช่ไหมเจ้าค่ะไม่จริงครัถ้าถ้าตกตามมันก็ถ้าเขาชอบมันก็ต้องขึ้นได้อันนี้จะตกก็จะขึ้นมันอยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำมไม่ได้อยู่ที่คําพูดของค น, นไม่ต้องกังวล พอเราทำความดีมีความกตัญญูกตเวทีมีสัมมาคารวะคารวมรักพ่อแม่ไปถึงแม่พ่อแม่จะไม่ชอบเราไม่รักเราก็ไม่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราเป็นหนี้เราเป็นลูกหนี้ที่ต้องใช้หนี้บุญคุณของพ่อแม่เป็นบุญคุณที่มากที่เราแม่สามารถที่จะใช้ได้หมดยังใช้ไปแล้วกันท้าที่เราเธอทําได้ค่ะคําถามสักทางเฟซบุ๊ก ค่ะสมัยพุทธกาลฟังธรรมเพียงไม่กี่ครั้งก็บรรลุโสดาบันแต่สมัยนี้ฟังธรรมมีโอกาสบรรลุโสดาบันได้ไหมคะก็อยู่ที่คนฟังว่ามีมีเครื่องรองรับธรรมหรือไม่เครื่องที่จะรองรับธรรมได้ก็คือศีลที่บริสุทธิ์แล้วสมาธิที่ตั้งมั่นในรูปฌานหรือว่ารูปฌานถ้ามีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้ทันที แต่ถ้าไม่มีศีลบริสุทธิ์ไม่มีสมาธิฟังไปจนวันตายก็ไม่มีวันบรรลุได้คำถามจากทางยูทู u ด็อกเตอร์ค่ะลูกมีคำถามว่าถ้าลูกนั่งสมาธิแล้วฟังเทศไปพร้อมๆกันแบบนี้เรียกได้ว่าคณิกะสมาธิหรือเปล่าเจ้าคะยังเราเป็นการจเจริญสติธรรมนุสติด้วยการฟัมทัส ถ้าจะเป็นคณิกะในจิตต้องรวมเนาะทุกอย่างหายไปหมดเหลือแต่ความว่างภายในจิตใจเนี่ยนะ่เรียกว่าคณิกะสมาธิใจว่างสงบเยน็นสบายหมดแล้วใช่ไหมะ่หมดแล้วก็หมดเวลาพอดีสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติ